นักมตัสสะปัคาวัตุอะระหัตุสัมมาสัมปุตตะสะนักมตัสสะงควตอะระหตุสัมมาสัมุสะนกมตัสสะควตอะระหตสัมมาสัมุสสสุตินัง วัตเมฆาังธานังเมธานงเมฆริสุทธังริสุทธังอาสาวะอาสวะยาวะหยาโตโตุวข้าพเจ้าขั้ข้าพเจ้าินดีให้ทานินดีให้ทานของทานของทานจากขวข้าพเจ้าจากขั้ข้าพเจ้าได้มาแล้วได้มาแล้วด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์ ขอพระคุณเจ้าจงรักของทานจักผู้ฆ่าพระเจ้าเลือกประโยชน์และความสุขแก่กข้ฆ่าพระเจ้าทั้งหลายและญาติของคว้มาพระเจ้าทั้งหลายมีล่วงรับไปแล้วมีบิดามารดา ปุราญาติยายสามีภรรยาลูกเต้าร้านเหลลูกเต้าร้านเหลนข้าวกำนายเวนข้าวกำนานเวนชงทราบด้วยยานวิถีจงทราบด้วยยาณวิถีนุโมทนานุโมทนารับบุญกุศลรับบุญกุศลยาขวบข้าพเจ้ายากขวบข้าพเจ้าที่อุทิศให้แล้วนั้นที่อุทิศให้แล้วนั้น จงไปสู่สุขติจงไปสู่สุขติสมดังความปรารถนาสมดังความปรารถนาตลอดทั้งพุทธค้าพระเจ้าตลอดทั้งพุทธค้าพระเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญจงมีแต่ความสุขความเจริญสุกกายสุกใจสุกกายสุกใจหายทุกข์หายโศกหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหายโรคหายภัยการงานการเงินสิ่งใดการงานการเงินสิ่งใดก็จงสำเร็จก็จงสำเร็จจงสำเร็จ จงสำเร็จสมจดังความปรารถนาสมดังความปรารถนาทุกประการเถิอทุกประการเธอทำทานนี่ทำบุญเด่นนั่งตัวตรงตรงมือใต้วางบนตักมือขวาตักมือใต้ลมหายใจเขาออก น้อยๆตัวเด็กเล็กตัจกองดูลมออกดูลมเข้าลมออกปิดตาเอาไว้หลับตาเอาไว้ปิดหูใส่ขัวปิดตาสองข้างปิดปากกับากแล้วนั่งทำบุญดูลมเข้าลมออกบุญคือลมลมคือบุญบุญคือใจ สอนจิตีออกฟังฟังคําว่าทําบุญมโนหลวงปู่หลวงพ่อมาพาทําบุญบุญให้ตนเองบ้างทําบุญให้จติตที่นอ่องพ่อแม่ปู่ย่าตายายาที่ตายเจ้ากนไรเวรที่ส่วงลับไปแล้วแล้วนั้นจะได้บุญกุศลกัเพราะเราไปทําบุญจากก่อนแอาอุทิศให้เราก็มีบุญจากก่อนเราไม่มีบุญเอาอะไร อุทิศให้เราโดยเฉพาะใจใจแล้ไม่ได้กินอาหารพวกอาหารพวกขี่นุ่มเครื่องนุ่มเครื่องหอมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเรียกว่าอาหารกายของแต่งกายของบำรุงกายในตัวของเรามีกายก็มีใจหลังคานางกายมันไม่เที่ยง เกิดแล้วแกเจ็บตายเห็นไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปไหนแล้วที่ไปก่อนแล้วเอาอะไรไปด้วยผมเส้นหนึ่งก็เอาไปด้วยไม่ได้เอามาแต่งเอามาดัดเอามาแปลงตอนมีชีวิตอยู่หาเท่าไหร่ก็ามาดัดมาแปลงมาแต่งเอามารักษาเอามาเลี้ยงเอามาทําอะไรกันนั่นแต่ร่างกายที่ใจละ่ะตัวของเราคือใจ มนโนปังก็มาตมามโนเสถามโนมัจจาทำตั้งหลายคือใจมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จอยู่ที่ใจความสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายมันไม่เข้าใจไปทําอะไรก็ไปเท่หน้อยไปทําบุญไปทําบุญไปทําบุ ญ, บ, ญบอกว่าไปทําบุญแต่ไม่รู้จักพิธีการกระทํา <c> พ <oughs> ิธีการกระทําก็มาทําบุญพระเจ้าสอนได้ไง ดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพระุทธเจ้าไดตัดรูปเพราะลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนะแต่ของมาถวายพระเถียงกันอยู่นั่นนี่ขงขาข่าวมาสัมผัสกันทุกวันอพภะไปอพภะมาหาไปพว <c oughs> กหนึ่งว่าอยากให้พระเจ้าประสงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านิญาตมนิยมไปด้วด้วยพระพุทธเจ้าสอนอยังไงล่ะ ถามกันเีจยวก็ถามพระถามพระมันทําไม่ได้มันสมัยใหม่โน่นเห็นบอกครูเจ้าสอนเราว่าทำไม่ได้สิ่งที่ทําไม่ได้ก็คือยังไม่ทําสิ่งที่ทำไม่ได้ครูเจ้าไม่ได้สอนไปสัมผัสเขาบอกเขาถึงใจมาหลุมมารวยนั่นัำคัญไปโน่นไปนี่ไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนมาไหนเกี่ยวเก่ยวการเดินทางก็ต้องใช้ต้องถือต้องจับต้องจ่ายนะ พระพุทธเจ้ามาเผยแผ่พระเจศาสนาให้พระสาวกมาเผยแผ่ศาสนาประเทศไทยได้เสีย ท, ยทาย้ายท้ายใจไหมนี่ก็บินไหมแต่ก่อนมีรถไหมแต่ก่อนหาแต่เรื่องจีเลตเราเราถ้าทําตามพระเจ้าต้องไปเขาจึงตามจับพระทำไมไม่ถามบ้างพระทําทอะไรถึงตามจับพระ อันก็อยู่เท่ยนันแะพูดกันไม่ตึดตัโรคเถียงกันไปเถียงกันมาอู้เขา อ, อาจารย์เอาหมหมมหาเอ า, านักปราชญแต่งโน่นแต่งนี้ว่าโตเถียงแล้วแก่ไม่ถูกใจนะถ้าทำตามพุทเจ้ามลนวมีปัญหาหรอกไปไหนเอน้ําพูดจะหน้าอาหารคนก็ไปถวายเครงนุ่งเครื่องห่มผ้าโยงก็ไปขนไปถวายเด็ย่ยวแจ๊บไปหมหาที่เก็บไม่ได้ น, น, นะเพราะเราขาดการทำบุญไม่มีส ต, ติไม่ที่มีธรรมธไม่มีปัญญาที่ไม่มีปัญญาเขาพูดอะไรเชื่อพระพูดอะไรเชื่อทําไมไม่จำก็ว่าพระเจ้าให้เชื่อพระไปเชื่อทําไมพระใครพาทำนะแต่งขึ้นมาจีนนี่กลายทัประเทศไทยจีทุดจีประเภทแ้่แต่ควมีอย่างเดียวแล้วก็มีธรมยุทธมีพระปฏิบัติมีพระปริยัตนีการสูตรการเดียนการนุ่นการ น, นี่ เดี๋ยวว่ะบวชประมาณไม่ถูตไม่เรียนจะรู้อะไรว่าย <c oughs> ไม่สูตไม่เรียนจะได้บวชยังไงผู้เจ้าก็บอกลเลยเจสาวโรมาหนะะ้าขาดันตาตาโจาตาโจดันตานะคาโรมาเจ้าท่านตรงเรียนกับปัตานผมคนเล็บฟันหนังให้ไปพิจารณาว่าเป็นของจริงคือยังไงให้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเห็นตามความเป็นจริงมันก็เกิดสมาธิก็เกิดปัญญาทีนี้เราไม่เห็นแต่เป็นความจอมปลอม มีทำเสร็จปลอมกันนี่ทำมาอาเรียงเกลียวทําการทํางานก็บอยู่ด้วยความจอมปลอมปลอมเมืคนอื่นก็ได้นั่นหาเงินก็ไม่ไม่อดไม่อยากถ้าปลอมเป็นหลอกเป็นต้มตุนเป็นคนเราจะปลอมปอมอยู่ด้วยความจอมปลอมหลอกลวงตนเองหลอกลอกลวงคนอื่นนะของเกิงคือพระเจ้าสอนให้ดูลงเข้าลงออกง่ายไหมไม่ได้สื่อสักบาลเข้าใจไหมตัวเล็กๆ เราเรียนเขียนอ่านเป็นใหญ่แล้วก็เอาทำของพุทธเจ้าไปสอนคนบ้างจะเอาแบบโลกโลกแต่อเอาแบบสมัยใหม่สมัยใหม่มันทันอะไรนี่ลัวลลา พ, พุ่มเพยแบบโลกียะสมัยของพุทธเจ้าทันการทันเวลาอะไรจะอะไรจะสู้ทำของพุทธเจ้าไม่ได้หรอกพุทธเจ้าให้ละให้ถอนให้ปล่อยให้วางไม่มีปฏิบัติปัญญาไม่เข้าจุดนี้เราเอ ไ, ไปเถียงกันแต่เรื่องตำราอยู่นั่น สอนเท่าไหก็สอนเนกแก้มกวมันก็ท่องได้แต่มันรู้จักคำหมายไหมละสอนปล่อยวางจากรักรโกรธเอาสองตัวนี่มาแปงให้ฟังเสียงกันสองคำดีกว่าไปเถียงอะไรเยอะแยะเสียงว่าใจเป็นดอกก็ไม่สิ้นรูดดอกเถียงกับนรกกับสวรรค์ก็พอแล้วสวรรค์นในอกนรกไปใจนรกตัวใหญ่คือร่ารวยสวยงามเานาะัดลงไปจริงๆริงที่นีสองคำให้รูกมาเห็นใช่นีมพอแล้ว ยิ่งคุกคีมันเรารกก็ยิ่งติดมันเรา ร, รกมีปัญหามันมีปัญหาเก็บไข้ได้ป่วยพัฒจะทํายังไงผู <c oughs> ้เจ้าจาของผู้เจ้ายังน้ำโมดน้ำโคดได้น่ะทําไมไม่เชื่อผู้เจ้ามันรักษาไม่หายโรกมันเกิดมาแล้ว <c oughs> เกิดได้แก่เจ็บตายนั่นเถียงก็ไปแม่จะไปให้ใช้ยาที่ไหนมารักษานนั้ไม่หายถ้าเชื่อผู้เจ้าเอายาผู้เจ้า รูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกง่ายไหมถ้าเห็นลมเราไม่มาเกิดอีกไม่แก่ไม่เจ็บไมตายไม่เกิดตกแก่เจ็บตายก็ไม่มีนะถ้าเชื่อพระเจ้าถ้าไม่เชื่อพระเจ้าทำไปต่าตามกีเรื่เถียงกันไปไม่ถึงจุดหรอกการรักษาพัฒนะพระสงฆ์เพื homework. ่อฟูพระสงฆ์ปฏิโลกพระสงฆ์กว like, ่าดีถ้ามันหยุดตรงนี้มันปฏิโลกไม่ได้หรอก นิพพัทธิจะให้หน่อย <c oughs> เป็นอุปชาเป็นอาจารย์เป็นนุ่นเป็นนี่เป็นประโยคมากก็อะไรจริงนี่นิพพัทธเยอะนะไม่รเป็นไงไม่ช่วยกันรักษาศาสนาเป็นผู้เล่าเรื่องโลกนะโอยชาว บ, บ้านเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะยายมาอยู่ที่นี่สมองสัหนกตเจ๊ ด, ดูอยู่เขาเลียนลคร อ, อยู่โลกดูโลกนี่คือละครทําไมไมา่ไม่เอามาดูหรอก เถียงกันอย่างไรไม่ดูที่ใจไม่อยูวัวใจไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่ต้องพูดอะไรมากนะถ้ามีสมาธิก็มีเกิดปัญญาความว่าพูดถูกผิดอยู่ในปัญญารู้จักนรกรู้จักสวรรค์คือปัญญาแสงสว่างสังรวตปัญญาไม่มีนั่นคําของพระเจ้าที่พูดคําของพระเจ้าถาเความรู้ของคนเขาสูตรเขาเรียนมาโยกเทติปิโรด้ปติธรรมโตธรรมเบิดตถาอะไรโยอมเรียนอะไรไม่รู้ S 1> <S 1> วาดิยังไปว่าโยมหมอทำตามกฎเขียงทำตามของผู้เจ้าไม่มีปัญหาหรอกติดถึงจะทำอยู่แล้วว่าหลวงตุ <S <S ยเชนั่นแหถ้าทำตามของผเจ้าจทำไม่ได้หมดละไมวาไปอีกนะมนไมไหมอยู่ในหัวใจนะทำไมไหนก็หมดที่เหลืเหมือนกันถ้าทำตามกต้อสอนของผู้เจ้าทำให้หมดที่เหลือแล้วก็หมดได้เหมือนกัน ถ้าทำตามเจลีบมันก็จะหมดได้ยังไงหรอพระพุทธสอนอย่างหนึ่งทําไปอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนไปทางนี้ไปกลับไปทางโน้นไม่ต้อเอาคนโดนมาอ่านพุทธเจ้าบอกไปไม่เชื่อคุณบาอาจารย์ไม่เชื่อหนังสือตำราไม่เชื่อที่ยิงแต่ข่าวเล่าลือมาไม่เชื่อที่เขาปาทำมานะให้เชื่ออะไรให้เชื่อเหยดผลดิพระสงฆ์จไปเชื่อทําไมพระสงได้ดูบุญก็จึงจะเห็นบุญเอาบุญมาบอกท่านผมไม่เคยดูบุญอะไรมาบอกเอาบากมาบอก เอาของตวายพระเอาของตวายพนะ <c oughs> ระนะก็ยุ่งทีให้พระเกิดที่เรียเพราะฉะนั้นให้เน้นนนักภาคอุติวัดตวัวเด็กๆ <Okay. S 1> จะรดมีสติจะดมีปัญญานั่งเข้าไปเถอะไม่ได้ซื้อหรอกอาหารใจอ่ะดูลมเขาลมบอกเคยซื้อตรงไหนเราอยู่กับลมตัวนี้ทำไมไม่ดูล่ะถ้าเกิดมาไปดูกีข้างแล้วนะพระไปวัดไปกี่วัดทำตมบูรณ ไปวัดจีวัดปีนิดทำบุญสิบวัดทำบุญน้อยวัดพระบอกอะไรทูตพิทักษ์ถวายสังฆทาดดนตรวชน้ำโยมไหนล่ะทําบุญแล้ก็เลยหลงอยู่แค่นั้นได้แค่นั้นแหะพิธีสงฆ์พิธีสงฆ์พิธีกรรมพระพุทธศาสนานั่น่ไม่ใช่พิธีกรรมของพระพุทธเจ้าที่ยกนิทานโนนทีินนนิทานนี้มานนัปยกนิท า, า, า, านที่พระเจ้ายังไม่ได้ตัดต่รูปพระเจ้าตัดต่รูปแล้วง่ายที่สุด ทำสมาธิเห็นสมาธิบัญญาน่มาฝึกผลอบรมสามข้อถือสามข้อนี่เน้นหนักสามข้อนี้ไม่นั่นก็ถูกเขาด่าดอย่างนั้นวพวกขี้เกียจจีข้านเพราะหล่นหลอกกินนั่นเพราะฉะนั้นพระราชานานิมุนพระเจ้ากระสคงูบระอาจารย์มามันเป็นประโยชน์เจอะโดยเฉพาะสถานที่อยู่อาศัยไม่รวยผมตั้งมากี่ปีกี่เดือนแล้วบางทีมีคนตายอยู่นนก็ม่ขาดั้งียังตัว ย, ยังก็มีเดี๋ยวก็จิตตด้านของ ยังมันมีมนนุ่กหน่วยตัวงานที่จิตตะวินดาบางจิตตะวินดาถูกจำลองจองจำอยู่มีญาติก็ดีไม่มีญาติก็ดีคำของธาดุก็จะมีเยกแยกนิทานธาดกต่างาๆนะเ <c oughs> อาบุญกุศลจากผู้มีจิตศรานั่นอย่างคนอยู่ในโลกเหมือนบางคนก็มีญาติบางคนก็ไม่มีญาติบางคนก็มีญาติรวมทั้งบุญก็ผิดกันทะเลาะกันแยกกันแปลว่าขาดแต่ญาติไปแล้ว ชีวิตือทุกทรมานดีกั้นจะใครทําบุญให้งั้นน้อยนี่ทองว่าถ้าไม่มีแต่ท่ามันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตตพิจารณ์มันมีทุกหนทุกแห่งมันผลที่ได้มีประโยชน์นูปเยอะคันในนี้พระเจ้าก็สงไปบ้านไปชอบไปนู่นไปนไปดูได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังสมณะมันจัดรัตนังเอตมังกะลมุตตมังการได้เห็นสมณะเป็นอุดมมงคลในชีวิต ส, สร้างแกงหูสงฆ์ูแลปิ่นยังดีก็มาได้เห็นเจอเลยนะ ดูได้เห็นดวเราเเจิตใจจะวิทยังดีอยู่นะโอ้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์สาทุเหอนหมดพระเจ้าพ่พูดนับถือพุทธศษาสนาเห็นไหมธรรมนานั่นแจกทกท่านมาได้เห็นสร้างเครื่อ ง, งหูสงฆ์ แ, รบบรง แ, งบแบบดพระเจ้าบอกสร้างเคอหูไว้แบบเขาเดี๋ยวโม่แรบเด่น แ, แบ บ, บนับ้นก็ล็อกไปเห็นพระสงฆ์แป๊เดียวก็เตือนติได้นะพระเจ้าจึงในมีอนุญาตให้ก็เตแดนโยมรัตนานิมนพระเจ้าพระสง จใจไม่สบายขี้ยวขาดขืนย่านงูเข่าย่านงูเข่าบ้านย่านต่างๆเสียงย่านจังสันมันดังหมดดึงตึงตังมัน <c oughs> <c oughs> เป็นดังเสียงย่านหลวงปูก่ก็ดีๆย่านคือดังแห้งแต่บนบ้านเจ้าที่พวกจิตดา บ, บิญญาณเนี่มาเตือนให้เราทําบุญนี่ทําอย่างอื่นทำอะไรมันก็ไม่หายดิบางบ้านอ ย, อยู่ <c oughs> แถวมึงใกล้วัดปักกุง ไม่หายไม่หายมัดหลวงปูป่ไปหยาบใจแหละเห็นไหมามอกมอดีกูทิดบุญกูสนให้ได้พ้นมีบุญกูทิดไทยได้ พ, ดพนนะู่งก็ไม่บุญกูทิดไทยมาได้กูก็มาได้ไปเกิดก็ขอกปักปักกปักก็คือเก้าวันน่ะนังก้นไว้หลุมบ้านนคิว่าจิตวิเขราบ้านเป็นยังไงบบนี้เป็นเปดไม่เสียหายหรอ แล้วพอตงไปนะไปั้นก็ไปแผ่เมตตาไปแผ่เมตตาปฏิทัประลสน้าความในเวรตติพีนอ้องหรืออะไรที่ดติกล่าวไปแล้วเพระฉะ น, นั้นให้เข้าใจโดยเฉาภาคปฏิบัตินี่แหละการงานของเราอะไรมีอะไรต่ออะไรเยอย ะ, ยะแยะ้เราพยายามเน้นหนักาภาคปฏิบัติบาง ท, ทีเรามีการมีงานประชุมกับลนอ้องมีกี่คนกี่คนเด้ย่ยงานน้องเาเป็นั่นังจได้ว่าแสนก็บอกเขา ได้ปฏิบัติธรรมทุธุรุภูมิุสณในการในงานเจริญทำย่อมพุ่มคลองผู้ปฏิบัติธรรมหรือบุญย่อมรักษาผู้ทำบุญหรือผู้มีบุญไม่ให้ตกทุกข์ระยากไม่ให้ลำบากลำบนนั่นทะุกอย่างงานของเรามีกี่คนกี่คนที่ดูทำทุกคนทุกคนคนละหนึ่งนาทีเอามารวมกันมันก็มีอา น, นิสงส์มากก็ <c oughs> จะนั้นเข้าใกล ไหนผมว่าคือที่ม่นพระเจ้าก็สมไปใ ห, ให้หน้นนั้นเอามาวัดอะไรตัวเพราะว่ามันได้หมดแล้ว แ, วแต่ตอนมัดไงตอนไปผมวมาบ้านเคยเป็นพระะได้กินแต่อาานได้เ็แต่ทกากัรแวนหาถึงกางค่ำคดีไม่เหคนตัวเวก็เหนวว็นแล้วเวกูนนแน่เนี่ยงขูญก้นขู่เอิ้นมา ก, กินนั่นกินเนื้อไปมากเขามาขอกินเหล่าเขาไปมากก็เอาเนียมาขากินเห่อ จิบกับแจ็บก okay. ันวะจีนเราทีนอาเสียงกันทะเลาะกันฟังนะมก็พิดกันกบเสนพระตัวเรื่องหน้าบุกุศนอบนลนยโยมลูกหลานจีนมาดัตนาในมณฑะเจ้าประสงค์หลวงปู่หลวงพ่อมาบานมาช่องเพื่อเป็นจิติมงคลเป็นบุญกุศลบุญกุศลส่วนนี้บุญกุศลกุศลพระพุทธเจ้าบุญบิดาารดาประสงค์ในสิ่งกิทั้งหลายจึกมันรวมตรงปกป้องปกร้กตาลนในโยมลูกหลาน อมีาสุขความเจริญสุกาุใจงันงานกนเงินงใด้ปัจนาถึงทดจงตํเร็จงตํเร็จจมดั่งความปัจนาจงทุกขกาอเสาธุสาธุระงเกียรติวอะไรให้ฟังนะโมตัสสะภะคะวะโตรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะ สระังัจามิสังฆสรังัจามิดวงทยัมปิพุทังสระังกัจามิดที่ยัมปิธรมังสระังกัจามิดวที่ยัมปิสังฆสรนังกัจามิ เอเตนะสะจวะเสนานสดทิเตห์โหตุสัพปะทานนาจิเมสารนังอันดังธรมโมเมสรนังวราเอเตนะสะจวะเสนานสดทิเตห์โหตุสัพปทานนาจิเมสารนังอันดังสังโฆเมสรนังวราง เตนะสาจาวเชนานสอดิเตโคตุสปารันตยันโตพดียามุเลสากยนังนัเทวันโอเอวังตวังมิชโยโมเยชยาสุสยามังคาเลอาบลอิตปันลังเก เสับบุนังอาคาปโตปมุตสุนางาตสุมังกาลังสุปปาตังสุมตตังสุคานสุมโตจสุยตังพระมจริสุวะดาินังกายกรรม มโนกรรมวันนีที่เตปัดกินาปัดกินานิขตวลาละปันทเด เจษฎาชายาสิทธินันนาปังโสติปะยังสุขังารังเศรีขายุจวันโนจารโสขังเจาสวสาธาวาสาธายุจาเสภาดสภนุเตวตุสัพพังกา สเเดวัตตาทปพุทานุปาเวนาสดาสดิภวันตุเตบาวะสุสัพมังการรักขันตุสัพเเดวัตตาัมาธมานุภาเวนาสดาสดิภวันตุเตภาวะตุสั ตาบัส จามาเลียงสุจามิสเลเทวหังมาริสามนาติเมตสังสยังคอาหังสมมาสมุโปตวตังปตะวันตังอภิวาเท สุมาิปันโลกับวัตสัวะสังคมสังข์น้มัน